คอลัมน์แง่คิดจากหนังเรื่องบังไฟศรัทธา15ค่ำเดือน11โดยชนลนินระหว่างทำความดีกับละเว้นความชั่วสิ่งไหนทำยากกว่ากันระหว่างทำสิ่งที่ดีกับทำความเห็นให้ถูกตรงหรือสัมมาทิฐิสิ่งไหนทำยากกว่ากันสองคำถาม เกิดขึ้นเมื่อได้ดูหนังเรื่อง15ค่ำเดือน11หนังเปิดเรื่องด้วยฉากดำน้ำเอาลูกบัางไฟไปวางตามจุดต่างๆใต้แม่น้ำโขงบอกให้รู้กันเลยว่าบัางไฟพญานาคในหนังเรื่องเนี้ยเกิดจากการกระทําของคนถึงหนังจะเฉลยปัญหาที่คนดูอยากรู้เสียตั้งแต่ต้นเรื่องก็ใช่จะทำให้หนังหมดสนุกเนื้อหาเจตนาจริง ผู้สร้างไม่ได้เน้นประเด็นเรื่องการตามหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการบ์บางฝ่ยพญานาคแม้จะพยายามให้ข้อมูลความเชื่อครบทุกด้านก็ตามศรัทธาตังหากคือสิ่งที่ต้องการบอกต่อผู้ชมคานเด็กกำพร้าถูกเลี้ยงโดยพระทางฝั่งลาวเขาคิดมาตลอดว่าการที่หลวงพ่อพระลูกวัดและตนเอง ช่วยกันทำบั้งไฟพญานาคให้คนดูทุกวันออกพรรษานั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นงานบุญงานกุศลจนกระทั่งโตขึ้นมีโอกาสไปเรียนที่กรุงเทพพบเห็นโลกกว้างพบว่าเรื่องบั้งไฟพญานาค ก, กลายเป็นที่สนใจของมหาชนผู้คนนับแสนแห่แหนมาดูเพิ่มขึ้นทุกปีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญต่างมุ่งหน้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความจริงนตีแผ่จับผิดประกอบกับเพื่อนที่ร่วมดำน้ำวางลูกบังไฟด้วยกันเกิดจมน้ำตายเขาจึงเกิดความกลัวลังเลสงสัยสิ่งที่เขาทำเป็นความดีจริงหรือไม่กลับจากกรุงเทพครั้งนี้คานไม่ได้มาช่วยวางลูกบังไฟอย่างเคยทำทุกปีเขามาเพื่อบอกกับหลวงพ่อว่าต่อแต่นี้จะไม่ช่วยลงไปวางลูกบังไฟอีกแล้ว เรื่องของหนังจากนี้เป็นการประทะกันระหว่างเหตุผลของคานกับศรัทธาของหลวงพ่อหลวงพ่อยืนยันการทําบั้งไฟพญานาคเป็นความดีได้สร้างกุศลให้ผู้คนหันมาศรัทธาเริ่อมใส่พระพุทธศาสนาขานแย้งว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้คนหากถูกจับได้จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้าไม่มีบั้งไฟพญานาคคนเขาจะยังไหว้พระอยู่ไหมหลวงพ่อ และถ้ามีบังไฟเยอะๆแต่แม่น้ําคนเขาจะไหว้พระมากกว่าเดิมหรือเปล่าเหตุผลของคานทําให้หลวงพ่อเถียงไม่ออกชาวพุทธเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเหตุใดเพราะศรัทธาในธรรมหรือชื่นชมต่อปาฏิหารเมื่อหาคนลงไปวางลูกบังไฟใต้น้ําไม่ได้หลวงพ่อจึงต้องออกเรือดำน้ําไปวางลูกบังไฟด้วยตัวเองและนั่นคือ วาระสุดท้ายของหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ดีไหมคงตอบยากหากจะเอาพระธรรมวินัยมาจับการกระทําของหลวงพ่อถูกต้องเหมาะสมตามพระธรรมวินัยหรือไม่น่าจะตอบง่ายกว่าแน่นอนย่อมไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญส่งเสริมให้พระภิกษุแสดงปาฏิหารโดยเฉพาะ ป้าที่หาหลอกลวงผู้คนอย่างนี้ทว่ายามเห็นสีหน้าหลวงพ่อตอนออกเรือเพื่อไปดำน้ำวางลูกบังไฟทำให้นึกตำหนิไม่ลงสีหน้านั้นเปี่ยมด้วยศรัทธาแรงกล้าเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ตนคิดว่าทำดีจนหมดใจระหว่างทำสิ่งที่ดีกับการทำความเห็นให้ถูกตรงหรือสัมมาทิฏฐิยังไหนยากกว่ากัน อดคิดไม่ได้ว่าหากหลวงพ่อใช้ศรัทธาต่อปาฏิหาริย์อันเปี่ยมล้นนั้นมาศรัทธาในธรรมแท้ของพระพุทธองค์ศรัทธาการดำเนินรอยตามทางสติปัฏฐานสีมุ่งมั่นปฏิบัติตนตามคำสอนแห่งองค์ศาสดาอย่างมอบกายถวายชีวิตเช็เช่นทำให้แก่พญานาคแล้วสามแดนโลกธาตุคงมีโอกาสได้กราบพระแท้ขึ้นมาอีกหนึ่งองค์แน่ ถ้าหากเจ้าลูกไฟสีแดงที่ขึ้นจากแม่น้ำโขงทุกวันออกพรรษาเป็นบั้งไฟที่พญานาคจุดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงๆศรัทธาของเหล่านาคาจะแตกต่างอย่างไรกับศรัทธาของมวลหมู่สาธุชนที่นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบบูชาคุณองค์ตถาคตด้วยใจเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกบั้งไฟนี้คงมีคุณค่า ไม่มากไปกว่าดอกไม้ทูปเทียนที่คนเรานำมาบูชาทำแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เช่นกันต่างกันตรงไหนเมื่อมีศรัทธาเดียวกันปาฏิหารอาจสร้างศรัทธาแต่ทำแท้แห่งพุทธองค์ต่างหากพาให้คนพ้นทุกข์ทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจ เพียงบทเรียนที่ก้าวไปถึงจะแท้ใคร